หลวงปู่มั่นปู่มั่นภูริทัตโตวัดป่าพุทธศักราช 2413 ถึง 2492 ชาติของอุปมาดั่งดอกปทุมปฏิกูลน่าเกลียดแต่ว่า เป็นที่ทัดทรงของพระราชาอุปราชอมาตย์และเสนาบดีเป็นต้นและ ฝึกประโยคพยายามย่อมพิจารณาซึ่งสิ่ง คือปัสสาวะมูลขูทขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็เรียกว่าก็เช่นขี้หัวขี้เล็บเป็นต้นเมื่อสิ่งเหล่านี้ขี้ไคล ก็รังเกียจต้องจึงพอเป็นของดูได้ทิ้ง ก็สาบเข้าใกล้ใครๆ ลอยไว้นานๆเข้าไม่ซักฟอกก็จะเข้าใกล้ใครไม่ ก็เป็นยิ่งสุขกระปลก พระโยคามจารย์เจ้าทั้งหลายจงพิจารณาร่าง จนกระทั่งกระทั่งปรากฏเป็นอุคคหะนิมิตคือปรากฏส่วน ชาวนาเขาทํานาเขาก็ข้าว เขาก็เต็มยุ่งเต็มข้าว ก็จะฉางเองฉันใดก็ดียุ่งฉางเองชั้นใดก็ ทำนั้นไม่ใช่ทุกสถานในการทุกเมื่อยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําคิดพูดก็ให้ พิจารณาในร่างกายนั้นจนชัดเจนแล้วให้ บายตอนนี้ตามแต่ตนจะใคร่ แล้วปล่อยทิ้งปล่อยตั้งเดือนตั้งครึ่งเดือนตั้งเดือนให้พิจารณาหรือ แต่อย่างเดียวไกรองค์กรรมจร คือจิตย่อมจะลงคือหมดทั้งโลกทั้งทั้งสิ้นนิมิตราบ เป็นอันเดียวกันไม่ว่าจะเป็นป่าไม้เดียวมนุษย์สัตว์แม้ที่สุดตัวของเรา ตัดความสนคือทั้งเห็น ดำเนินต่อไปไม่ใช่อีกจนรอบ สังขารความประงค์ว่าโน่นเป็นนั่นเป็นเราเป็นความไม่เที่ยงเป็นความไม่เที่ยงอาศัยเกิด แก่เจ็บตาย ฝ่ายอาการสัญญาสังขารวิญญาณไปปรุงแต่งปรุงมั่นหมายทุกพบทุกชาติหมายทุกภพทุกสมมุติไม่ใช่สมมุติ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 อย่างนั้นทีเดียวเตสุธรรมเมสุธรรมดาเหล่านี้หากมีมาแต่ก่อนถึงว่าจะไม่ได้ฟังจากใครก็มีอยู่อย่างนั้นทีเดียว ฉะนั้นในเจ้าจึง ธรรมดาธาตุทั้งหลายย่อมมีย่อมเป็นอยู่อย่างนั้น ก่อชาติด้วยอาการของจิตเข้าไปยึดชาติฉะนั้นพระโยคาวจรเจ้า สังขาราอนิจจาสเพสังขาราทุกขาสังขารความเข้าไปปรุงแต่งคือธรรมทั้งสี่ เป็นเครื่องแก้อาการของจิตเมื่อเห็นจริงลงไปแล้วเห็นแน่สังขารา สัตตานัตถิสังขารทั้งหลายสังขาร สัตว์ก็มีอยู่อย่างนั้นก็มีเท่านั้น ธีติพูดไม่มีอาการเป็นผู้หลุดพ้นธรรมดา ธรรมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ ให้เห็นจริงแจ้งชัดตามนั้นจริงแจ้งชัดตาม อันในที่นี้จนชํานาญ ในที่ชาติด้วยโหติดังนี้ในที่นี้ไม่ใช่สมมุติ ไม่ใช่ของแต่งเอาใช่ของเป็นของที่เกิดเองเป็นเองเดาเอาไม่ใช่ พิจารณาโดยแยบคายด้วยตนเองจึงจะเป็นขึ้นมาเองท่านเปรียบเหมือนต้นไม้ต่างๆมีต้นข้าวเป็นต้นด้วยผลคือรวงข้าวเอง พึงปรารถนาเอาเลยเป็นขึ้นมาเอง มิใช่สิ่งคนผู้ปรารถนาหรือไม่ปฏิบัติแต่ปฏิบัติ ด้วยประการชานี